เอามาถามเรื่องไอ้รู้จริงรู้ปลอมนี่แหละเออเอามาคุยกันก่อนที่หลวงพ่อจะปิดห้องไอ้ที่หลวงพ่อบอกว่ารู้จริงรู้ปลอมเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อก็พูดเอาเองนะเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวปลอมมันพูดไปเรื่อยว่ามีรู้จริงรู้ปลอมแต่รู้จริงๆมันไม่ได้พูดสักคำหนึ่งแต่ที่พูดไปก็เพื่อให้รู้จักนั่นแหละว่าโอ้ใครเราเป็นผู้แต่งตั้งว่ามันมีรู้จริงรู้ปลอมอะก็คนนั่นแหละเออก็คนนั่นแหละมันไปปรุงมันไปสมมุติขึ้นมา เออที่บอกว่ามีรู้จริงรู้ปลอมขึ้นมาเพราะฉนั้นถ้าให้อยู่เหนือสมมตุติก็คือว่าก็รู้ไงรู้ไอ้ตัวปลอมมันแหละว่ามันเป็นตัวปลอมเออมันเป็นตัวปลอมแค่นี้ยมันก็พ้นไปจากของปลอมพ้นไปจากสิ่งสมมุติได้แล้วงั้นก็ไอ้ของปลอมหรือสังขารทั้งหลายมันก็มีอยู่เต็มเกลื่อนไปหมดนะเนาะอย่าไปหลงมันอย่าไปหลงว่ามันเป็นของจริงแต่จะจริงหรือปลอมมันก็ยึดถือไม่ได้ทั้งหมดแหละก็ได้แต่รับทราบแล้วก็ ต่างคนต่างอยู่ไปเนาะไอสังขารประดแต่งมันก็อยู่ของมันนะเออไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องมันด้วยพระอาจารย์ค่ะกลับขอบการค่ะไอรู้จริงกับรู้ปลอมเนี่ยมันต่างกันที่ว่าเอาเราไปยึดใช่ไหมใช่ไหมเจ้าค่ะรู้จริงรู้ปลอมมันเป็นเป็นคําสมมติเพื่อแบบเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างเนาะเพราะว่าถ้าเราบางทีถ้าเรา ไม่สมมติคําพวกเนี้ยเราแยกไม่ออกว่าอะไรที่มันมันเป็นสัจจะความจริงอะไรที่มันเป็นสังขารปรุงแต่งหลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้นะจึงเมื่อเช้าก็เปิดเทป พ, พูดถึงเรื่องเรื่องอย่างนี้เอย อ, อาจจะหลวงพ่อจะเล่าลองไปพิจารณาดูนะคือหลวงพ่อเนี่ยให้ให้โยมเนี่ยมองไปที่พัดลมมองไปที่พัดลมซึ่งทุกคนก็เห็นพัดลมนะพอเห็นพัดลมเนี่ยก็จะมีการแยก เป็นสองส่วนก็คือพัดลมก็ส่วนหนึ่งตัวเราที่เป็นผู้ผู้มองเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเห็นไหมพวกนี้เราใช้คาสมมุติเพื่อให้เห็นให้เห็นความแตกต่างว่าเออพัดลมกับผู้ที่ยืนมองพัดลมเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันตีนี้พอต่อมาเราก็มองเรื่องความเป็นเราว่าเออพัดลมอ่ะมันเป็นเราไหมอ่ะตัวพัดลมมันเป็นเราไหมทุกคนก็เข้าใจได้ว่ามันไม่เป็นเราเพราะมันเป็นพัดลม เออแต่จริงๆอ่ะไอการที่รู้ว่าพัดลมไม่เป็นเราเนี่ยมันก็คงมีเหตุมีเหตุปัจจัยแหละทำให้เข้าใจตั้งแต่เกิดว่าพัดลมไม่ใช่เราอ่ะนะแต่หลวงพ่อเนี่ยใช้คําหลวงพ่อว่าที่มันรู้ว่าพัดลมไม่ใช่เราเนี่ยเพราะมันรู้ว่าพัดลมเป็นสิ่งถูกรู้เราเป็นผู้รู้มันเราจึงไม่ใช่พัดลมตรงนี้สําคัญนะในความรู้สึกของหลวงพ่อนะว่าเออการที่จะเห็นสิ่งใดว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยคือจะต้องเห็นสิ่งนั้นเสียก่อนโดยมีเราเป็นผู้เห็นมัน พอมีเราเป็นผู้เห็นมันเราย่อมไม่เป็นมันอย่างล้านเปอร์เซนตอ่ะโอเคกลายเป็นว่าเราไม่เป็นพัดลมเลยนะอ่าแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องตัวเราอีกเราเนี่ยมีการมองไปที่พัดลมทุกคนเข้าใจได้ว่าเราเป็นผู้มองพัดลมหลวงพ่อก็ถามต่อว่าเอาแล้วใครเรามารู้เราว่าเราเป็นผู้มองพัดลมแล้วก็ในในไฟล์เสียงเนี่ยโยมก็ก็ตอบว่า ก็ผมไงเป็นผู้รู้รู้ผมผ ม, มเป็นผู้รู้ว่าผมมองพัดลมเนี่มันมีผมสองตัวคือมีตัวเราสองตัวตัวเราตัวแรกก็คือตัวเราตัวที่มองพัดลมตัวเราคนที่สองคือคนที่รู้เราหลวงพ่อก็เลยถามต่อว่าเอา้าในเมื่อเรารู้เราแล้วใครละ่ะมารู้เราไอตัวแล้วใครละ่ะอะไรละ่ะมารู้เราว่าเราอ่ะ เป็นผู้เป็นผู้รู้คือตรงเนี้ยเวลาถามแลยมันจะวนจะเวียนหัวมากคือถ้าสติอะไรไม่พร้อมเนี่ย ม, มันฟังลําบากมันจะปวดหัวแต่ว่าถ้าฟังด้วยสติปัญญาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาแน่นอนเลยว่าเออเนาะตัวเราที่เป็นผู้มองพัดลมเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วใครมารู้เราว่าเราเป็นผู้มองพัดลมเช่นเราอาจจะยืนมองก็ได้อาจจะนั่งมองก็ได้แล้วมันก็รู้เราว่าเราเนี่ยยืนอยู่หรือนั่งอยู่ แล้วก็เป็นผู้มองแล้วขณะที่มองพัดลมเนี่ยเราเนี่ยทั้งยืนหรือนอนก็ได้แล้วก็พูดได้ด้วยว่าเนี่ยเราเห็นพัดลมอยู่แสดงว่าตัวเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยเป็นทั้งผู้ยืนเป็นทั้งผู้นอนเป็นทั้งผู้พูดได้เป็นทั้งผู้มองได้รวมแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดแต่มันต้องมีธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งแน่นอนที่มารู้เราได้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ยืนหรือผู้นอนหรือเป็นผู้มองแล้วก็เป็นผู้พูดมันต้องมีสิ่งนั้นแน่นอน ถ้าไม่มีสิ่งนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีอยู่อโอเคตรงเนี้ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเรามีอยู่แต่ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วแล้วก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้เราธรรมชาติที่มารู้เราเนี่ยธรรมชาติเนี้ยมันจึงพ้นไปจากเราคือมันไม่ใช่เราแล้วมันก็ยืนมันก็ไม่ได้เป็นผู้ยืนมันมันก็ไม่ได้เป็นผู้มองพัดลมเดี๋ยวเอาใหม่ คือธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันไม่มีลักษณะเหมือนกับตัวเราแต่ประการใดตัวเราเนี่ยยืนได้นั่งได้นอนได้พูดได้คิดได้อ้าแล้วมองได้มองพัดลมอ่ะนะมองได้แต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันไม่มีอวัยวะไม่มีชิ้นส่วนใดที่เป็นผู้ยืนผู้นั่งผู้นอนแล้วก็มันไม่มีดวงตาแบบเหมือนดวงตาที่เราของเรามันมีดวงตาใช่ไหมแต่แต่สิ่งที่มารู้เรามันไม่มีดวงตาแบบที่เรามี แต่มันก็เห็นเรามันก็รู้เราได้ทีนี้หลวงพ่อจะพูดถึงไอ้ตัวรู้ปลอมกับตัวรู้จริงเบื้องต้นเราที่เป็นผู้มองพัดลมเนี่ยเห็นไหมเราเนี่ยเป็นผู้รู้รู้ว่านั่นพัดลมเห็นไหมเราเป็นทั้งผู้มองเป็นทั้งผู้รู้ว่าพัดลมแต่เมื่อเรารู้พัดลมแล้วเราก็อธิบายได้ว่านั่นคือพัดลมพัดลมไม่ใช่เราอันนี้มันเกิดจากการรู้ของเรา คือเราเนี่ยไปรู้พัดลมแล้วเราก็รู้แล้วเราก็อธิบายได้เราก็พูดได้แต่ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยความรู้อันนี้มันไม่เที่ยงมันปรุงแต่งได้มันปรุงแต่งได้คือมันรู้อะไรแล้วมันก็สามารถพูดอะไรก็ได้เรื่อยเช่นพัดลมนี้ดีพัดลมนี้สวยพัดลมนี้เล็กพัดลมนี้ใหญ่คือมันรู้อ่ะมันรู้พัดลมแล้วก็มันจาได้มันพูดได้มันอธิบายได้แล้วก็อาจจะมีความรู้สึก ต่อพัดลมได้ด้วยเช่นรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบต่อพัดลมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอรู้ชนิดเนี้ยมันเริ่มต้นจากการรู้ทางตาแล้วก็มันจํามันปรุงแต่งมันคิดแล้วก็มีความรู้สึกเป็นอารมณ์ชอบไม่ชอบได้อันเนี้ยหลวงพ่อจึงตั้งชื่อขึ้นมาว่ามันเป็นการรู้ที่ปลอมเป็นรู้ที่ปรุงแต่งแต่ธรรมชาติที่มารู้เราอ่ะซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่มันไม่ปรากฏตัว มันน่ะมันได้แต่รู้เราแต่มันไม่เคยพูดเรื่องเราว่าเราเป็นยังไงเราดีเราใหญ่เราชั่วมันไม่เคยพูดมันได้แต่รู้เราเรายืนมันก็รู้เรานั่งมันก็รู้เราพูดมันก็รู้เรามีความทุกข์เรามีความสุขมันก็รู้แต่มันไม่เคยพูดถึงความมีอยู่ในเราเลยมันไม่เคยพูดเลยมันไม่แสดงอ่ะมันไม่แสดงออกถึงว่ามันรู้เราว่าอย่างไงมันก็ได้แต่รู้เราคือ มันรู้ทุกกิริยาอาการของเราเราเดินเรานั่งเรานอนเราหัวเลาะเรามีความทุกเราอะไรเนี่ยมันรู้เราหมดเลยแต่มันไม่พูดตรงเนี้หลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าไอธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันเป็นรู้แท้รู้จริง ร, ร, รู้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นรู้ที่ไม่ปรากฏเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเพราะมันมีความต่างกันกันกนกบไอรู้ที่ที่พูดได้ใช่ไหม อพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เลยตั้งเป็นคําสมมติขึ้นมาว่ารู้ตัวจริงกับรู้ตัวปลอมขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนฟังเนี่ยได้แบ่งได้แยกแยะได้เข้าใจว่าเออแบบนี้นะเขาสมมติเรียกว่าเป็นรู้ปลอมมีลักษณะแบบนี้ส่วนไอ้ธรรมชาติที่รู้เราอ่ะอ๋อมันมีคุณสมบัติอย่างนั้น มันพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้มันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอาการมันไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจมันไม่มีอะไรหมดเลยแต่มันมีรู้คือมันรู้เราได้ตรงนี้เลยเห็นความต่างจากการได้ยินได้ฟังนะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มามองต่อว่าแล้วอะไรล่ะที่มันมันทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยในในในศาสนาพุทธนี่เนาะในที่เราเรียนหลักธรรมขั้นสูงกันเนี่ยว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือความไม่ทุกข์ เราก็จะมองออกว่าไอ้ทุกเนี่ยก็คือไอ้ตัวรูปอมนี่แหละที่มันไปเห็นอะไรเข้าแล้วมันจําได้มันคิดได้มันพูดได้มันปรุงแต่งได้แล้วมันเกิดดับได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทุกเป็นทุกข์คือมันเป็นสภาพที่มันทนสภาพเดิมไม่ได้แล้วมันต้องแตกดับสลายไปใช่ไหมก็เป็นแก่เจ็บตายไปเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตน แต่ธรรมชาติที่มันไม่ทุก์คือมันตรงข้ามกับธรรมชาติที่เป็นทุกข์คือมันไม่เกิดไม่ปรากฏไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรวมความแล้วก็คือธรรมชาติฝ่ายทุกก็มีอยู่ธรรมชาติที่ฝ่ายพ้นทุกคือฝ่ายไม่ทุกเลยก็มีอยู่ทีนี้ถ้าเข้าใจเรื่องทุกกับความพ้นทุกแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันก็จะง่ายขึ้นมาก็คือว่าโอปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกก็คือแค่รู้ทุก ก็คือรู้ตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้พูดได้ผู้อะไรได้เนี่ยนะรู้ตัวเรารู้แล้วไม่ยึดในทุกมันก็พ้นทุกและก็ธรรมชาติรู้ที่มันไม่ยึดมันพ้นทุกจริงๆก็มีอยู่แล้วก็คือธรรมชาติที่รู้เราพอรู้จักอย่างนี้แล้วเนี่ยหนทางของการปฏิบัติมันก็เลยไม่มั่วไม่มั่วหมายความว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วเราเนี่ยไม่ต้องไปหาพระไม่หาเจ้าไม่ต้องไปหาโชคไม่ต้องไปค้นหาอะไรเพียงแต่รู้ตัวเองที่มัน บ่นๆพูดๆพักคเนี่ยเห็นอยู่รู้แจ้งอยู่รู้แจ้งอยู่รู้แจ้งอยู่ในปัจจุบันขณะที่รู้แจ้งในปัจจุบันเนี่ยมันก็พ้นทุกข์ในปัจจุบันเนอะพ้นทุกข์ในปัจจุบันยิ่งแจ้งเท่าไหร่มันก็พ้นทุกข์พ้นทุกข์พ้นทุกข์ทุกข์มีแต่มันพ้นทุกข์มีแต่มันพ้นเห็นไหมทุกข์มันมีอยู่แต่มันพ้นพ้นเพราะอะไรพ้นเพราะรู้รู้แจ้งรู้จริงแต่รู้อันนั้นอะไม่ใช่เรารู้แต่เป็นรู้ของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมันก็เลยพ้นนนทุุกใปััจจบ อันนี้คือพูดใชยาวแบบนี้คืออธิบายเรื่องรู้ปลอมกับรู้แท้แล้วก็ขยายความไปจนถึงเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ว่าทุกข์มีอยู่ความพ้นทุกข์ก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะเมื่อเห็นทุกข์เนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันก็พ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ตอนนี้นนน อ, นนอ่าเดี๋ยวอ๋อไถามต่อสาธุค่ะหนูเข้าใจแล้ว เจ้าค่ ะ, ะเพราะว่ า, าเห็นตามที่พระอาจารย์บอกเพราะว่ายืนอยู่ตรงหน้าพัดลมพอดีพัดลมกําลังพัดแล้วก็เลยมองตามที่พระอาจารย์พูดขึ้นมาทันทีก็ระลึกได้ค่ะเข้าใจค่ะพระอาจารย์อสาธุนะทีนี้ถ้าโยมจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจตามตามของโยมเลยนะตามสไตล์เลยนะเออโยมช่วยหน่อยว่า อธิบายเพื่อให้คนทุนทุกในปัจจุบันเนี่ยลองลองว่าดูนะมันอาจจะแจ่มแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วก็ทำให้ชัดเจนนะไม่ยากหรอกเพราะว่ายมเข้าใจแล้วนี่ยอมก็สามารถที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้โดยอาจจะยกตัวอย่างอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ตามตามถนัดนะอ๋อเช่ไแต่ก็ไม่ทราบจะเข้าใจถูกหรือเปล่าก็อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยแก้ไขด้วยนะคะก็ <c oughs> ที่พระอาจารย์พูดเรื่องเออรู้ ตัวรู้จริงกับตัวรู้ปลอมอันนี้คือรู้ปลอมเนี่ยมันก็คือเหมือนเราเนี่ยอเอาตัวเราอะเข้าไปเป็นตัวเราแล้วก็เข้าไปปรุงแต่งความคิดต่างๆนานาที่อาจจะมาจากการกระทบสัมผัสเช่นความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าอาจจะเป็นความโกรธความสุขความทุกข์อะไรก็ได้เนี่ยค่ะหนูเข้าใจว่าอย่างงี้นะคะอันนี้อุปมาคือเหมือนกับถ้าเรามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อเราเป็น มีความสุขนะเรามีความทุกข์นะเราโกรธนะเราชอบนะเราไม่ชอบเราอยากเราไม่อยากอ่ะอันนี้คือไม่ไม่ทราบจะถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ารู้รู้จริงเนี่ยก็คือเราเรารู้ว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าจริงๆที่เราคิดว่าเราเรารู้ว่าเนี่ยเราโกรธนะเรามีความสุขนะเราชอบเราไม่ชอบเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเราเลยมีมีแต่เป็นอาการที่เราไปรับรู้เข้าแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคือบอกไม่ถูกค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับมันเป็นสภาวะรู้ว่าเนี่ยเรากำลังเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเราเห็นตัวเราอีกทีนึงว่าเรามีอาการอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยค่ะพระอาจารย์ไม่ทราบถูกไหมคะขอแค่นี้ก่อนล้วกันค่ะว่าเผื่อจะเข้าใจผิดอ่าถ้าเห็นเราเนี่ยถูกหมดเลยแหะ เพราะปกติเนี่ยมักจะไม่เห็นเราคือเราไปเห็นแต่อาการเราเหมือนการปอาการประมาณพัดลมเนาะคือมัวแต่เราอะมัวแต่เห็นพัดลมแต่เราอ่ะไม่เห็นเราที่เป็นผู้ผู้มองพัดลมหรือว่าผู้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องพัดลมเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นในกายในจิตก็ดีนะถ้ามีตัวเราเป็นผู้รู้แต่อาการรู้แต่อารมณ์ที่ขึ้นในกายในจิต แล้วก็เมื่อรู้แล้วพูดเรื่องอาการอย่างนั้นที่บอกเรียกมากเลยยังเลยเรียกมากหรือว่าโอ้ยดีจังเลยไงอย่างนี้แต่ไม่เห็นตัวเราพู้ผู้พูดผู้ภาคผู้รู้อาการเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้ผิดตัวไปอ่าแต่เมื่อกี้ที่โยมพูดถึงประโยคตอนก่อนหยุดพูดอ่ะคือรู้เราตรงเนี้ยก็ถูกแล้วรู้เรารู้เราคือรู้ตัวสุดท้ายเลยรู้เราก็คือรู้ถึงตัวเราที่เป็นผู้ผู้รู้อ่ะเออแค่นี้ยแล้วก็ แค่มีปัญญาเพิ่มเติมว่าไอตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็คือตัวสังขารแล้วก็สิ้นยึดอ่า <c oughs> เมื่อรู้แล้วก็คือไม่หลงยึดถือแค่เนี้ยแล้วก็เลยจบเป็นแต่ละคณะไปถ้ามีปัญญาถึงขั้นตัวนี้ให้เดินปัญญาตรงนี้ให้มากจริงๆตรงนี้มันไม่ได้อาศัยรูปแบบหรอกเพราะว่าจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เห็นมันรบรู้ตัวเราได้อยู่แล้วว่าเ อ, อตัวเราเป็นผู้เดินผู้ผู้นั่งหรือว่าเป็นผู้พูด ผ, ผู้ภาคเป็นผู้ เป็นผู้รู้เนี่ยรู้ทุกเรื่องเนี่ยรู้นู่นรู้นี่รู้ดวงจันทร์รู้ดวงอาทิตย์เห็นไหมมันมีเราเป็นผู้รู้รู้รู้สังขารรู้นิพพานรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้อริยสัจเราเป็นผู้รู้เลยฉะนั้นกลับมารู้เราแล้วก็ไม่หลงยึดถือแค่เนี้ยมันก็พ้นทุกในปัจจุบันเลยศาสตร์ทยมด้วยนะศาสารุทค่ะกราบสาธุร์ทค่ะพระอาจารย์หนูยังมีความสงสัยอยู่คือว่า เราไม่รู้เรื่องนั้นเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยคือถ้าเรามีอาการอย่างนี้เนี่ยก็คือให้รู้ไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างประกอบสักอาการหนึ่งก็ได้อะเช่นว่าเราอาจจะยังศึกษาธรรมะได้น้อยฟังธรรมะได้น้อยบางอย่างของธรรมะบางคำเราไม่เข้าใจคาภาษาบาลีบางคาอย่างนี้ค่ะ เอออันนี้คือเรารู้ว่าเราไม่รู้อันนี้คือเรายังหลงยึดถืออยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าธรรมะมันเป็นเรื่องจริงๆหัวใจของมันนะคือเรื่องเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เนาะจะรู้มากรู้น้อยเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ทีนี้ถ้าสมมติเราไม่รู้บาลีเราไม่รู้อะไรเยอะหรอกแต่รู้ตัวเราได้แล้วก็ไม่หลงยึดถือเช่นสมมติว่า Uh, เราแปลสังขาครคําว่าสังขาร น, นะสมมติว่าก็ได้ยินมาเยอะสังขารคืออย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่เข้าใจนะไอความไม่เข้าใจเนี่ยมันจะนําทุกมาให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยทุกทุกเวลาที่เร า, เราไม่เข้าใจเพราะว่าเราอยากจะเข้าใจความหมายของคําว่าสังขารมันคืออะไรแต่ก็ไม่เข้าใจสักทีหนึ่งคนอื่นเขาก็เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจกลายเป็นว่ามันเป็นความคับแคนเป็นความทุกข์ที่เบียดขันอยู่มากเลย แต่ทีนี้ถ้าเราจะพลิก ม, มานิดเดียวแค่นั้นเลยว่าใครล่ะเป็นผู้อยากรู้ใครล่ะเป็นผู้อยากเข้าใจปรากฏว่าเอา้าก็มีตัวเราเป็นผู้อยากรู้ตัวเราเป็นผู้อยากเข้าใจแล้วก็วางตัวเราลงในขณะปัจจุบันเนี้ยว่าอ๋อไอตัวเรามันเป็นผู้อยากรู้ตัวเราเป็นผู้ไม่เข้าใจมันดิ้นมานานแล้วแล้วพอเห็นตัวเราตรงนี้ u บแล้วก็วางลงคือไม่ยึดถือตัวเราตรงนี้แหละความทุกข์ก็จะดับไป ถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยจริงๆเรื่องสังขารไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ถ้ารู้ว่าเนี่ยพ้นทุกข์แล้วแค่นี้ก็พอเพียงแล้วอ่ามันพอเพียงแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์อยู่ตรงไหนความพ้นทุกข์คือปล่อยวางปล่อยวางใครก็คือปล่อยวางตัวเรานี่แหละอ่ะแล้วตัวเรามันคืออะไรอะ่ะจริงๆอ่ะต่อไปเรา อ, อาจจะเข้าใจได้ว่าตัวเราก็คือสังขาร น, นั่นแหละอ๋อรู้สังขาร น, นี่เองก็พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้อยากรู้เนี่ยไอ้ตรงนั้นนะ มันเป็นเหตุนะเป็นเหตุทำให้เราได้รู้จักตัวเราขึ้นมาว่ามีตัวเราเป็นผู้อยากรู้แล้วก็เมื่อพบตัวเราผู้อยากแล้วก็วางลงพอวางลงเสร็จแล้ว โ, โล่งเลยโล่งเลยไม่ต้องอยากรู้ตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องเอาก็ได้แค่วางรู้แล้ววางตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงที่รู้เราวางมันพ้นทุกเลยเพราะนั้นเอาแค่นี้พออย่างเนี้ยก็เรียกว่า อุปมาเหมือนกับว่าใบไม้กับมือเดียวอะ่ะไม่ต้องไปรู้เยอะก็ได้แค่รู้รู้แล้วก็พ้นทุกเลย อ, ะอ่ะอ่าประมาณอย่างนี้สารทุกค่ะกาบสาธทุกค่ะหนูเข้าใจนะคะเรื่องความรู้นะจริงๆอ่ะถ้าเราอยากจะรู้อะไรนะมันไม่จบหรอกโยมมันเยอะมากสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยคําศัพท์ค ำ, คำโอยมากมายแต่ถ้ารู้ตัวเรารู้ตัวเราผู้ไหนรู้ตัวเราผู้อยากรู้ตัวเราที่มันมีลักษณะคล้ายๆว่ามันเป็นตัวเราอะ่ะ เมื่อรู้แล้วแล้วก็วางไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ที่มันมันมันอยากมั่งมันอยากจะค้นคว้ามันอยากจะแสวงหาวางตัวเนี้ยพอวางแล้วมันจะจบทุกคราวแล้วจะมันจะง่ายจะง่ายแล้วก็อย่างอื่นไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้คนรู้มากมากไม่เห็นพ้นทุกก็มีเยอะนะเอออเรียนสูงสูงมีความรู้มากมายเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นผู้รู้ไงแต่เขาไม่รู้เขาแล้วก็ก็ไม่เคยวางเขาอ่ะเมื่อไม่วางมันก็เท่ากับว่าแบกอยู่นั่นแหละก็หนักเออ แต่ถ้าวางเขาวางเราใช่ไหมเออพอวางเราเขาก็ไม่มีอพอไม่มีมันก็ว่างไนงะก็เรียกว่าว่างจากความเป็นเราว่างจากความเป็นเก่าก็คือพ้นทุกข์เลยง่ายๆแค่นี้เนาะหลวงพ่อก็ใช้อย่างนี้อยู่เรื่อยบางทีไม่รู้ใครถามอะไรบอกไม่รู้หรอกแต่ถ้ารู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยแค่นี้ยไม่ยึดถือไม่เอาตัวอโอ้ยมันพ้นทุกข์ต่อหน้าต่อตาเลยเงี้ยเออเอาตรงนี้เดียวอ่ะอย่าเพิ่งเชื่ออะไรเพียงแต่ว่าฟังเป็นแนวทางเอาไว้ ถ้าเข้าใจก็ให้ปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ผ่านไปเลยก็ได้นะส่วนที่โยมเคยฟังอาจารย์องค์อื่นนก็ฟังไปปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นตัวช่วยตัวเสริมบางทีเราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเนาะพอได้ยินได้ฟังปับ๊บมันจะเป็นตัวช่วยทำให้ปลดล็อกอ่าปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างได้เป็นฉับพลันทันด่วนนะก็ถือว่าเป็นปัญญาไปนะก็ให้ติดตามทาง youtube ได้อีกทางหนึ่ง ส่วนกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์หลวงพ่อก็มีแต่วันนี้ไม่ได้โชว์เอาไว้ก็ลองทาง youtube ก็ได้ะนะทาง youtube ก็ได้แล้วก็ส่วนที่ใครฟังแล้วมีข้อปัญหามีสงสัยอะไรก็ติดตามทางคาพาวแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้จัดบ่อยน ะ, ะแล้วก็ถ้าจะถามยังไงยังไงดีอ่ะก็รอให้หลวงพ่อเปิดคาพาวอย่างนี้แหละแล้วก็ อาจจะถามปัญหาแล้วก็มาคุยกันนะปรารภพระคุณหลวงพ่อมากค่ะขออนุโมทนาเนาะแล้วก็จะฝากก็คือว่าหมายถึงว่าสิ่งที่หลวงพ่อได้พูดไปฟังแล้วเข้าใจโดนใจนะก็ให้ไปต่อยอดเอาเองนะไปเพียนนะไปไปเพียนไปต่อยอดเพื่อให้เกิดปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถรู้ อ่ารู้แจ้งรอบรู้ในกองสังขารที่อยู่ในตัวเนี่ยทั้งกายทั้งจิตนะรู้แล้วก็วางหมดรู้แล้วปล่อยหมดไม่ยึดถือให้เป็นของหนักนะก็สามารถที่จะพ้นทุกได้ในปัจจุบันที่ที่ไม่ยึดถือน ะ, อะวันนี้ก็หลวงพ่อก็ขอปิดห้องเพียงเท่านี้สาธุครับสาธุครับกราบสาธุครับ